เรื่องศพที่ยังสดหนึ่งเรื่อง137สมสัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้าถือผ้าบางสกุลที่ซากศพยังสดซึ่งมีเปรตสิงอยู่ในร่างเปรตนั้นพูดกับภิกษุนั้นว่าอย่าเอาผ้าของเราไปภิกษุไม่ใส่ใจถือเอาไปทันใดนั้นร่างนั้นลุกขึ้นติดตามภิกษุไปภิกษุรูปนั้นเข้าไปวิหารแล้วปิดประตูเสีย ร่างนั้นได้ล้มลงที่ประตูนั่นเองท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงถือเอาผ้าบังสุกุลในซากศพที่ยังสดภิกษุใดถือเอาต้องอบัตทุกกฏวงเล็บเรื่องที่สาสาม